อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็นํารายการธรรมาราบรุญกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นประจําทุกเชา้าตั้งแต่เปิดสถานีตอนตีห้นะคะทางสถานีก็จะนําธรรมะดีๆเรียกรายการเราว่าธรรมาราบรุนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังให้เป็นสิริมงคลให้เกิดความสบายอกสบายใจทั้งวันเลยนะคะ สำหรับเช้าวันนี้ที่เราพบกันก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่6ตุลาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม6ค่ําเดือน10ปีมโรงค่ะก็ถือเป็นเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะคะและในทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นรายการธรรมรารุนก็จะได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อํานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเลน ปิดวาจาตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีน้่นเลยนะคะซึ่งวัดนี้ก็จะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระคูลสิทธิ์ทพพากลท่านเป็นเจ้าอาวาตก็เป็นเหมือน อ, องค์ที่จะ เป็นพระอาจารย์ที่จะควบคุมหลักสูตรด้วยโดยมีพระอาจารย์ภัยบุญอภิพุโหนของเรานั้นท่านเป็นองค์ผู้อำนวยการที่จะฝึกอบรมกันเป็นประจําทุกเดือนอย่างที่เราทราบกันดีอยู่นะคะและทุกๆเสาร์อาทิตย์ก็จะได้พูดคุยสนทนาธรรมะหรือที่เรียกว่าสากฉากับพระอาจารย์ภัยบุญอภิพุโหนกันนะคะขอนําท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ภัยบุญอภิพุโหนพระอาจารย์ของเราพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาเฉินพาสาธุเจ้าข้า เช้าวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมนี้นะเจ้าคะก้าวเท่ากับเข้าปีงบประมาณใหม่แล้วมันใหม่แล้วเ <c oughs> งินมาแล้วแต่เงินหลวงจริงๆริงออใช่ <c oughs> ใช่นะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะก็ถือเป็นไตรามาสแรกของการปฏิบัติราชการในเขาเรียกว่าปีงบประมาณ2556แล้วนะ<ช>เจ้าค่ะเจ้าค่ะแม้ว่ายัางไม่สิ้นปีตามปีพศออก็ตามพวกข้าราชการเราก็ทราบดีแล้วก็รายการธรรมาราบรูรุในช่วงสากัญชาวันเสราร์อาทิตย์ก่อนหน้านี้เราก็ได้พูดคุยกันมานะเจ้าค่ะก่อนถึงช่วงเกษณราชการสิ้นเดือนกันยายนรวมทั้งในเสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเสราร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะเจ้าค่ะ ก็พูดเรื่องเกี่ยวกับวัยต่างๆการเพียนทําใจอย่างไรเป็นเรื่องของคนลืมแก่เรียกว่าพระอาจารย์ได้ให้สติกับผู้คนเราเนี่ยนะเจ้าค่ะไม่ใช่เฉพาะบรรดาท่านข้าราชการที่เกษียณอายุราชการหรือท่านที่อริเลไทยแต่ว่าให้โดยทั่วไปแม้แต่บรรดายาวชนต่างๆว่าแต่ละวัยซึ่งแบ่งออกเป็น3วัยทัวนี้ก็คือจะมีวัยประถมวัยคือวัยต้นตั้งแต่1ขวบถึงสาปี วัยมัดจิมวัยหรือวัยกลางก็คือ30ปีถึง60ปี<ช>แล้วพอ60ปีเป็นต้นไปก็เข้าสู่วัยสุดท้ายหรือปัจจิมวัยนะเจ้าคะซึ่งพระอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของลืมแก่ไปละมีอย่างหนึ่งที่โยมคิดว่าพระอาจารย์เน้นย้ําเสมอก็คือเรื่องของการพรยายามทําความเ พ, พีเยรใช่ไหะที่จะทําให้ทําหน้าที่ของเราได้อย่างสมบูรณ์เจ้าค่ะไม่ไม่ไม่ออกไปนอกทางเนี่ยในแต่ละวัยนะเจ้าคะทีนี้วันนี้เรามา ขอความเมตตาอาจารย์ไพบูลอภิปุโนได้เมตตาสาักชาหรือพูดคุยในรายละเอียดถึงความเพียรกันเลยดีไหมเจ้าคะได้ถ้าจะพูดถึงเรื่องความเพียรเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบกับความเกียคร้านคื อ, ค, อคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะเป็นคําสอนที่เกี่ยวข้องกับความเพียรแล้วถ้าคนที่ไม่ว่าจะอยู่ในปฐมวยัยคุณก็ต้องใช้ความเพียรในการเรียนหนังสือใช่ไหมคนที่อยู่ในมัชชิววยัยคุณต้องใช้ความเพียรในการทํางาน คนที่ <Okay. S 1> อยู่ในปัจฉิมวัยคุณก็ต้องใช้ความเพียรในการที่จ ะ, ะศึกษาธรรมะหรือว่ามีโอกาสว่างปฏิบัติธรรมะเพิ่มเติมก็ใช้ความเพียรหมดเลยนะ <Okay. S 1> คือตั้งแต่เกิดจนตายนะ่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ใช้ความเพียรแล้วนะมีความเพียรตลอดแลนะ<จ>ถึงแม้<ๆ>พระพุทธเจ้าเองนะตั้งแต่พระองค์ก่อนตรัสรู้แนละ้วจนถึงมันตรัสรู้ตรัสรู้แล้วก็ยังทําความเพียรอยู่ตลอดเวลาแล้วนะความเพียรในที่นี้คือเราไล่มาตั้งแต่ความเพียรทางกายใช่ไหมตอนเด็กๆ เ, เราเขายาเอากำลังกายฝึกซ้อมร่างกายมันก็ มีความแข็งแรงทางกายภาพขึ้นมาผู้เชาก็ยังพูดถึงความเพียรทางจิตด้วยใช่ไหมคุณอ่านหนังสือคุณทำความคิดนี่คือความเพียรทางสมองแต่ก็ยังมีลึกซึ้งขึ้นไปเอาคุณทําสมาธิอันนี้เป็นความเพียรทางจิตเอามีลึกซึ้งขึ้นไปอีกคุณทําความเพียรทางด้านปัญญาให้เห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นความเพียมันเป็นระดับระดับขึ้นไปเราก็ต้องศึกษาหาทําความเพียรอยู่ตลอดเอ๊ะแล้วทำไมต้องทําความเพียรอ่ะแมมคําสอนผู้เจ้าไม่ใช่ว่าขอเอาได้เหรอ ขอเธอนะข้าแต่เทพเจ้าสักองค์ในองค์หนึ่งก็ให้ลูกเป็นหมาศิตรีอย่างเงี้ยซึ่งพระพุทธเจ้าเองถามว่าพระุทธเจ้าท่านทํำยังไงแนะทําไมตอนที่พระุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้โพล์นะออตอนนั้นยังไม่เป็นยังไม่เป็นพระุทธเจ้าเป็นโพลิสัตย์อยู่ใช่ไหมที่เราทราบกันว่าพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้อยู่ใต้ต้นไม้โพเนี่ยตอนนั้นนั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพเนี่ยกําลังนั่งสมาธิอยู่แตตัดสินใจแล้วว่าหมายวันนี้เนี่ยฉันจะไม่เลิกทําความเพียรแล้วท่านยังไม่เป็นสมามพทนะเ้ า, า, า ông, นสำหร เออโพธิสัตว์เนี่ยไม่ขอต่อเทพเจ้าแห่งต้นไม้โพ ล, ล่ะอา้าวข้าแต่เทพเจ้าแห่งต้นไม้โพขอให้ฉันเป็นสมาชิมพระเจ้าเถิดมันมันไม่ได้และไม่มีเสียงตอบออกมา <Okay. S 1> เออเพราะว่าคําสองพูชาไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการขอถ้าเรายังอยู่ในคุณคิดว่าคุณนับถือพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยคุณควรจะเข้าใจว่าเออพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรไม่ได้สอนให้ขอนะแต่เป็นงั้นพระพุทธเจ้าก็เตรียมอาหารเตรียมอะไรต่างๆไว้ให้เต็มไปหมดแล้วแต่สิ่งที่บงเตรียมให้เนี่ย คือธรรมะที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติได้เองคคนะพระเาสอนอยู่สเสมอว่าให้พึ่งตนพึ่งธรรม ท, นะทีนี้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือความเพียรด้วยนะธรรมะก็มีหลายอย่างในะส่วนที่เป็นความเพียรก็มีเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงต้องการที่จะพูดชักชวนให้ทั้งคุณติใจทั้งตั้งฟังทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าโอ้ศ า, ศาสนาคําสอนพระเจ้านะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเพียรด้วยนะคือไม่ใช่ขอเอาคคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจคําสอนพระเจ้าให้ถูกต้อง นะพุทธาบอกเลยว่าคําสอนในธรรมะอะไรของเราเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ปรารถนาความเพลียนไม่เหมาะกับคนที่เกียรติคร้านแต่ถ้าคุณเกียรติคร้านคุณหวังขอแสดงว่าคุณนับถือผิดละนะ <c oughs> เราเราคิดว่าเราจะขออะไรเราจะนับถืออะไรละ่ะอย่างที่เราเคยคุยกันไปใช่ไหมว่าเราขอให้ทําความเพียรอย่างไม่ย่อหย่อนอย่างเงี้ยคุณขอได้นะขอให้เราได้ทำนะขอให้เราได้ทําอย่างที่ไม่ถอยกลับอย่างเงี้ยอย่างอธิษฐานนะนะ เราเคยพูดถึงความแตกต่างระหว่างอธิษฐานกับการขอเฉยๆย ค, คือขอนี่คือหวังเอาผลนโดยไม่สร้างเหตุแต่อธิษฐาน ค, ค, คือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือการสร้างเหตุแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการผลเอาคุณญําเหตุซะอย่างนี้ที่เรียกว่าการขอที่ถูกต้องตามระบบของคําสอนของพุทธเจ้า ค, คือถ้าคุณคต้องได้ผลต้องการผลคุณต้องทําเหตุง่ายๆแค่นี้อืม ก็คือว่าถ้าอยากได้อะไรเนี่ยหรืออยากจะทำสำเร็จอะไรสักอย่างหนึง่งก็ต้องทำความเพียรคือต้องฝึกด้วยตัวเองแล้วก็ปฏิบัติด้วยตัวเองจึงจะบรรลุผลสำเร็จแห่งความเพียร น, นั้นถูกไหมเจ้าค<ช>่ะเหมือนอย่างที่เวลาเราไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไห่โศกนั้นเนี่ยพอเข้าวันที่สองที่สามนี่ <c oughs> พระอาจารย์ก็จะให้เริ่มต้นนะเจ้าคะ่ะ <c oughs> ที่นั่งสมาธิ หชั่วโมงทุกครั้งที่อธิษฐานจิตปฏิบัติกัน4ี่ครั้งในแต่ละวันเนี่ยพระอาจารย์ก็เริ่มว่าให้มีการอธิษฐานจิตว่าเราจะแม้ว่าหนังกระดูกเลือดเจ้า่ะเจ้าค่ะหรือว่าจะเหือดหายไปเราก็จะไม่ไม่ไม่ละความเพียรเลยถ้ามันยังไม่สําเร็จก็คือห้ามกระดูกกดิกตัวห้ามเปลี่ยนท่าอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะซึ่งอันนั้นก็เป็นการฝึกความเพียรอย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติถูกไหมเจ้าค่ะ คือ ค, คือในในเดี๋ยวก็จะก็จะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติในหลักสูตรด้วยซะหน่อยหนึ่งะนะว่ามลเลยเจ้าค่คะคือเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของเราแนละ้วคุณเดินใจเอาเรื่องที่วัดเอายกไว้ก่อนเลยก็ได้เป็นเรื่องของวัดนะเอาเรื่องของตัวเราอ่ะเราเคยมีเหตุการณ์สักอันใดอันหนึ่งในชีวิตของเราไหมที่ว่าเราตั้งใจว่าจะทําไม่เขาเรียกว่าไม่เลิกไม่สําเร็จไม่เลิกกลางคันแต่สุดท้ายเราก็เลิกอะอย่างเช่นว่า อ, อาตมานะสมัยก่อนเป็นนักเรียนอะ เอาละพรุ่งนี้จะสอบวันนี้ฉันจะอ่านหนังสือถึงตีสามไม่เสร็จเนี่ยอ่านไม่จบบทไม่เลิกอย่างเงี้ยถ้าไม่ถึงตีสามพวกเราเราอ่านไปเที่ยงคืนเราหลับปลอยเลยอโอ้าตายแล้วเราเรามันขี้เกียจจริงๆนะเรามันไม่ดีเรามันแย่มากเลยนะที่ว่าเราตั้ง ค, ความเพียรเอาไว้ว่าเราจะทำแต่สุดท้ายเราเลิกกลางคัน้ค่ะมีนิสัยอะไรไหมในชีวิตประจวันเราที่เราเป็นอย่างนั้น ยมคิดว่าถ้าเผื่อพูดให้ท่านผู้ฟังทางบ้านหมายถึงโดยทั่วไปนะคะที่ที่เราจะพบเห็นกันบ่อยที่สุดก็คือช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการเข้าพรรษาอยู่ใช่เ<ช><ะ>จ้าคะ่ะที่เราเคยคุยกันว่าพอเข้าพรรษาปุ๊บก็จะมีหลายคนและตั้งใ จ, จอย่างสมมุติว่าก็จะมีว่าตั้งใจอดเร่าหรืองข้าพรีษอ่าอย่างนี้เป็นต้นฮอดบุรี หยุดรับเข้าพรรษาอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะถึงแม้แต่บางคนเจ้าค่ะหรือแม้แต่บางคนก็อย่างพี่ชักของโยมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะถือศีลแล้วก็ไม่ทานคือทานมังสวิรัตตลอดสเดือนเลยซึ่งก็จะเคร่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะก็มีพวกที่ ตั้งใจจริงถึงจะทําได้สําเร็จแต่ถ้าเผื่อว่าเหมือนกับอย่างที่พระอาจารย์ว่าว่าเพียงแต่ขอเจ้าค่ะลึกตั้งใจไปอย่างนั้นนะไม่ค่อยตั้งใจจริงอ่ะนะเจ้าค่ะไม่ได้ทำความเพียนอย่างแท้จริงนี้โดยมากมักจะหล่นเหลวอย่างที่ท่านอาจารย์พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะตรงเนี้ยเราเลยต้องการจะมาตีแผ่ตรงนี้เปิดคลี่มันออกซิว่าไอ้ตรงที่เราทําไม่ได้เป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะนะหรือว่ า, วาเออเวลาที่เราตั้งใจว่าทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างในภาษาสามเดือนเนี่ยผ่านไปไม่ทันเจดวันเลยเราละควักบุหรี่ขึ้นมาดูละ รหรือว่าเอาโหนี้ปิ้งไก่น่าจะอร่อยมากใ ส, ส่เข้าไปเลยอย่างเงี้ยนะแต่ที่ตอนนั้ตั้งใจว่าจะมังสาวิรัตอย่างเงี้ยลาสักวันหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นคือว่าเราจะทําไงให้เราเพยายามที่จะละสิ่งนี้นะพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบ2อย่างสองบุคคลนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบสองบองุคคลระหว่างคนที่มีความเกียดร้รานนะมีวัตถุแห่งความเกียดร้านนะคือคือคนขี้เกียจเนี่ยหรือว่าคนที่เขาไม่ปรารับความเพียรเนี่ยเขามีที่ตั้งแห่งความเกียดร้านอยู่ นะคุณจะหยิบวัตถุอะไรขึ้นมาสักอย่างใะอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดกร้านเขาได้เราต้องระวังตรงนี้ในขณะที่คนขยันเนี่ยเขาหยิบสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาหยิบเบนตาขึ้นมาหยิบอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาใช้วัตถุตรงนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความขยันของเขาได้นะพระเจ้าได้พูดถึงตรงนี้ก็หมายน่าสนใจมากคุณตือใจ<ข>อนันดับแรกเนี่ยพูดถึงการงานสักอย่างใดอย่างหนึ่งสมมุติว่าอย่างเช่นเราการงานในในวัดเป็นต้นเช่นว่าการไปติกว่าดลานวัด หรือว่าการที่ต้องยกของเปลี่ยนแปลงทำความสะอาดเซนาสะนะสังอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าการงาน <Okay. S 1> แล้วก่อนการงานที่ต้องทํามีอยู่อสมมตุติตอนนี้ตอนเช้าเรานะัดทำงานตอนสายนะฉันข้าวเสร็จแล้วอไปทํางานกาันตอน9ก้าโมงเริ่มทํางานแต่ตั้งแต่ตอนไปบินปบ า, ายก็มีความคิดว่าตอนเช้าๆก็มีความคิดโอ้โหวันนี้ต้องทํางานไว้ในที่คนคนขี้เกียจก่อนนะคนขี้เกียจจะมีความคิดว่าเออวันนี้ต้องทำงานไว้แม้จะทําทงานแล้ ว, <c oughs> ลวเดี๋ยวจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งพระเจ้าได้อตอนนี้เรานอนพักซะก่อน นอนพักสั ก, ก่อนตอนตอนสายจะได้มีแรงไปทํางานน ะ, ระหรือบางคนมีความคิดถ้าคารบาเเสารอาทิตย์นี้จะต้องไปออกรอบนะไปทําอะไรสักอย่างอย่างหนึ่งเอาวันนี้วันพฤหัสไว้งั้นวันนี้นอนเอาแรงก่อนเพื่อที่จะได้เสาร์อาทิตย์มีแรงทำํำโดยไม่รีบทางานให้เสร็จมีงานค้างๆอยู่เนี่ยนี่คือวัตถุแห่งความที่ตั้งแห่งความเกลียดกร้านของคนที่ขี้เกียจในขณะที่คนขยันก็จะมีความคิดอย่างนี้ก็บอกว่าวันตอนสายนี่เดี๋ยวต้องไปที่ทํางานไปช่วยยกของยกอะไร เอาวันนี้ตอนเช้าเรารีบรีบที่จะปฏิบัติธรรมซะก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนสายไปทํางานแล้วจะไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยปกติฉันต้องนั่งสมาธิตแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ต้องไปทํางานข้างนอกอุย้ยทั้งนั้นแหมมันจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมงั้นตอนนี้ฉันรีบทําซะก่อนนะคือคนขยันเนี่ยเขาจะมีความคิดอย่างนี้และคือเหตุการณ์เดียวกันนะคนขี้เกียจก็จะเป็นข้ออ้างในการขี้เกียจได้คนขยันก็เป็นข้อที่จะเป็นเหตุให้เขาทำความขยันได้และนี่คือการงานที่มีอยู่ นะข้อที่2อผู้ชายพูดถึงการงานที่สําเร็จแล้วนะคือเวลาทํางานจริงๆบางทีเราต้องพูดคุยติดต่อสื่อสารใช่ไหมทำให้การปฏิบัติธรรมของเราไม่ได้เต็มที่แต่ทีนี้พอการงานเสร็จแล้วคนขี้เกียจก็จะมีความคิดว่าโอ้ยงานเสร็จแล้วตอนทํางานอยู่มันเหนื่อยเหนื่อยนะเอาตอนนี้นอนก่อนแล้วกั น, นจะมีความคิดอย่างนี้ส่วนคนที่ขยันนี่พอการงานเสร็จแล้วก็มีความคิดว่าโอ้ยตอนทํางานนี่มันเหนื่อยนะ เราปฏิบัติทําก็ไม่ได้ปฏิบัติตอนนี้เราพอมีเวลาว่างเรารีบปฏิบัติทําก่อนรีบมาสังเกตลมาหายใจส่วนมนตนั่งสมาธิซนะก่อนคนขยันจะมีความคิดอย่างนี้นะแล้ต่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นนะเจ้าค่ะเรียกว่าตรงกันข้ามกันเลยความคิดนะเจ้าค่ะคู่ที่สองที่พิจารย์ยกถึงก็คือการเดินทางแต่บางทีการเดินทางไกลเราต้องต่อรถต่อเรือต่อเครื่องบินอย่างเงี้ยนะทําให้มันไม่สามารถปฏิบัติทําได้เต็มที่ใช่ไหมคนที่ขี้เกียจนี่ก็จะมีความคิดว่าโอ้องเดินทาง เอางี้ตอนนี้นอนพักซะก่อนนะก็เลยไปนอนซะนะส่วนคนที่ขยันนี่ง่วงนิดนึง ห, หน่อยก็อดทนไว้นะก็มีความคิดว่าโอ้ถ้าตอนเดินทางนี่มันจะทําให้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ตอนนี้เรารีบปฏิบัติธรรมก่อนนะส่วนตอน อ, อ, อ, อีกการหนึ่งนะก็คือพูดถึงการที่เดินทางเสร็จแล้วนะเป็นคู่มาเลยคุณเตืนใจคนที่ขี้เกียจเนี่ยพอเดินทางเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีความคิดโอ้ตอนเดินทางอยู่ไม่ได้พักเลยเหนื่อยก็เหนื่อยกลับมาฉันขอนอนก่อน นะในขณะที่คนขยันนะเขาก็จะมีความคิดโอ้ตอนเดินทางนี่ไม่ได้ทํางานเลยนะแหมตอนอไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนะเดินทางกลับมาแล้วเนี่ยรีบปฏิบัติธรรมซะก่อนอย่างเงี้ยนะจะมีความคิดอย่างนี้ต่างกันเลยนะคู่ที่สพระเจ้าก็ยกขึ้นมาอีก ค, อคือเรื่องของอาหารนะคนที่มีความเกียดคร้านเนี่ยถ้ายกตัวอย่างพระสงฆ์เนี่ยไปสวยหาอาหาร เรเราจะไปซื้ออาหารตามร้านนี้โอ้ไม่มีอาหารที่เราชอบเลยเรากินได้นิดเดียวพอกินนิดนึงก็รู้สึกว่าโอ้ไม่มีแรงเลยไม่มีแรงตอนนี้ฉันปฏิบัติทํามไม่ได้หรอกไม่มีแรงนอนก่อนดีกว่า<ช>นะเป็นข้ออ้างเขาได้ตลอดนะส่วนคนขยันนี่จะมีความคิดอย่างนี้แม้วันนี้ฉันไปซื้ออาหารฉันไปบินนบายก็ตามไม่ได้อาหารตามที่ต้องการอาหารถูกท่ามไม่มีกินได้น้อยแต่ว่ากายของเรากลับเบานะกายเบามันก็ปฏิบัติธรรมได้เอาฉันใช้เวลานี้นั่งสมาธิดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันโดยสิ้นเชิง <Okay. S 2> อีกประการหนึ่งนะคือเรื่องอาหารนะอาหารพอกินยิ่มแล้วได้อาหารตามที่ต้องการนะคนขี้เกียจเนี่ยพอได้อาหารเต็มตามที่ต้องการอาหารที่เราชอบอาหารที่เร า, เาคิดว่าเราจะกินเนี่ยนะกินจนกินมากเกินไปนะพอกินมากเกินไปตัวก็หนักเหมือนเมล็ดถั่วถูกแช่น้ําพองนั้นเมล็ดถั่วถั่วเหลืองเนี้ยนะถัวเขียวเนี่ยเมล็ดเล็กๆ เ, เนี่ย <Okay. S 2> ไปแช่จนมันพองขึ้นมาจนโหเป็นสองสามเท่าอ่ะนะตัวเราอิ่มขนาดนั้นเนี่ยมันก็ปฏิบัติทํามไม่ได้แล้วก็เลยต้องนอนจ้ะ ในขนณะที่คนทําความเพียรเนี่ยคนที่มีความขยันเนี่ยฮะเขาก็จะกินก็พอที่ประมาณที่เขารับประทานตัวเขาก็ยังเบาอยู่นะเขาก็สามารถใช้กายที่เบาในการปฏิบัติธรรมต่อได้ตัวคู่ต่อมาคู่ที่4ี่ที่พุทเจ้ายกถึงคือเรื่องของการการป่วยนะคนป่วยเนี่ยป่วยปวยเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆปวดหัวนิดๆหน่อยๆนยะคนขี้เกียจเนี่ยก็จะมีละขอ้ออ้างละอา่ได้แล้วมีช่องที่จะนอนแล้วขอนอนซะ ก, ก่อนนะไม่งั้นมันจะลูกลามนะเขาจะคิดนี้ ป่วยต้องพักลยอ่าป่วยนิดเดียวนั่นแห ะ, ๆๆ น, ะ, น, ะนะบางทีมดกัดหรือว่ายุงกัดโอ้ป่วยนอนดีกว่าหรือปวดหัวนิดๆหน่อยๆในขณะที่คนขยันก็จะมีความคิดว่าโอ้โหเราป่วยเล็กน้อยนี่อาภาษนี้อาจจะลุกลามได้ถ้าลุกลามขึ้นไปแล้วเราจะปฏิบัติทํามไม่ได้รีบปฏิบัติก่อนตอนนี้เจ้าค่ะแล้วเขาคิดอย่างงี้เจ้าค่ะอีกอันสุดท้ายพระเจ้าพูดถึงป่วยหนักเนี่ยเราก็หายนะพึ่งหายจากป่วยหนักแคนขี้เกียจก็จะมีความคิดว่าโอ้โหป่วยหนักขนาดนี้ แหมเพิ่งหายมานี่เรายังไม่ควรจะทําอะไรเดี๋ยวมันจะกําเริบขึ้นมาอีกกันตอนนี้ขอนอนซะก่อนนะส่วนคนกระหยันเนี่ยก็จะมีความคิดว่าโอ้โหเราป่วยขนาดนี้นี่โรคนี้ตอนเราป่วยนี้ปฏิบัติทําไม่ได้เลยนะแต่ว่าถ้าตอนที่ถ้าเรามันกลับมาอีกเนี่ยเราจะปฏิบัติทำไม่ได้ตอนนี้เรารียบปฏิบัติก่อนเ้าจะเห็นได้ว่าคนขี้เกียจเนี่ยนะทุกอย่างทุกอย่างของเขาเนี่ยจะดึงไปที่นอนเสียหมด นะจะหนาวนักก็อ้างว่าโอ้ยังไม่ควรทําการงานร้อนนักก็อ้างหิวนักก็อ้างออกระหายนักก็อ้างไม่ทํางานเช้าอยู่ก็บอกว่าเช้าเกินไปเย็นบอกก็เย็นแล้วนะร้อนก็ร้อนเกินไปทํางานไม่ได้หนาวก็หนาวเกินไปทํางานไม่ได้ทุกอย่างทํางานไม่ได้เลยปฏิปทาไม่ได้เลยมีแต่ข้ออ้างเต็มไปหมดนะนี่คือลักษณะคนขี้เกียจในขณ ะ, ะที่ทางตรงข้ามคนขยันนะคนขยันเนี่ยเขาไม่ว่าเห็นอะไรเขาขยันได้หมด อันนี้เราเห็นได้จริงๆจางๆคนที่มีความที่ไม่ยอ่อท้อต่อความยากลาบากอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่ไม่ยอ่อท้อไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เนื่อยแก่พักแก่พอนแก่หับแก่นอนนะก็มีการสู้เนี่ยนี่คือความขยันดิวเจ้าพูดถึงว่าให้เรากระทา <Okay. S 2> ทีนี้เราต้องมาเขาเรียกว่าทําให้สมดุลเพราะว่าเรื่องของการนอนบางทีมันก็สําคัญนะคือที่พูดถึงว่าคนขี้เกียจเนี่ยอะไรเออะเลก็อ้างแล้วก็นอนอ้างแล้วก็นอนเนี่ยมันมันแตกต่างกับเวลาที่เราจะต้องนอนพัก คือคนขี้เกียจเนี่ยนอนมาพอแล้วก็ยังจะนอนอีกนะสมมุติวันหนึ่งอย่างพระสงฆ์อาจจะนอนสัก4ี่ชั่วโมงหชั่วโมงใช่ไหมครับว่า <ใจ S 2> อาจจะนอนมากหน่อย6กชั่วโมงเจ็ชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าเรานอนมาพอแล้วแล้วเรายังจะมีความยินดีในการที่จะนอนอีกอ่านั่นแหละคือความขี้เกียจของคุ ณ, ค, ณคุณคุณเตชัยเข้ใจนะคื อ, คอ<ช>บางทีเราเหนื่อยต้องพักผ่อนจริงๆมันก็ต้องพักผ่อนด้วยการนอนก็ก็จะเป็นการดีแนะในขณะที่บางทีเรานอนพอแล้วอ่ะ แล้วเราเราจะไปนอนอีกเนะี่ยแสดงว่าเป็นความขี้เกียจของคุณที่กิเลสมันออกมาเราต้องระวังตรงนี้คือหาเรื่องนอนอีกกันนะ <ขอ S 2> จ๊ะขออ้างเต็มไปหมดเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาดูตรงนี้ว่าไอ้ความนอนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ลองพยายามที่จะละดูนะด้วยวิธีการที่พระเจ้าได้บอกถึงอย่างเช่นว่าเราเอาธรรมะมาไคขลุ่นคือบางทีเราไปทําการงานมาเหนื่อยอย่างเงี้ยเหนื่อยเสร็จปุ๊บเอ๊เหนื่อยเหนื่อยจริงไหมนะเราทําไมอยากจะนอนมีรู้สึกง่วงรู้สึกเพลียใช่ไหม เราจะทดสอบว่าไอ้ความเหนื่อยความง่วงความเบืียของเราเนี่ยมันสมควรจะนอนไหมเราสามารถกําจัดว่าไอ้ตรงเนี้เป็นกินเลสหรือไม่เนี่ยด้วยกระบวนการที่ได้เคยบอกกับท่านพระหมหาโมคละาณะาไว้นั่ยคือหมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เคยพูดถึงการง่วงหงาหานอนเนี่ยเป็นหนึ่งในนิวรณ์ต่าง5นะซึ่งจะมาะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมะของเราทีนี้บางทีการนอนเนี่ยมันจําเป็นที่เราจะต้องนอนคือไม่ใช่ว่าเราต้องอดหลบับอดนอนแต่ว่าเราต้องนอนให้เพียงพอ จริงเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าการที่เราง่วงเหงาเหานอนเหนื่อยเพลียตรงเนี้ยเป็นความขี้เกียจนะซึ่งเป็นนิวรหรือเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อร่างกายนะอันนี้ธรรมะมาลองใคร้ครวนดูก็พบว่าบางทีร่างกายเราเหนื่อยเราต้องนอนพักจริงๆนะแต่บางทีมันเป็นความกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตเราสามารถลอกออกได้นะด้วยกระบวนการที่1คือเราใคร่ครวนธรรมะดูแตนะ่ถ้าเราออกธรรมะที่พระเจ้าสอนมาใคร่ครวนพิจารณาแล้วเนี่ยถ้ามันยัง ง, ง่วงอยู่ถ้าความง่วงละไปได้ปกติมันจะละไปได้ แต่ถ้ามันยังรับไม่ได้ลองวิธีที่สองนะพุชาก็ให้อลองสาธยายมนสวดมนนะสวดมนแล้วมันยังง่วงอยู่เอาลองไปวิธีที่สนะคือลองที่จะลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างตาเหลียวดูที่ตั้งหลายแงนดูดาวฤกษ์อย่างนี้ก็จะช่วยให้อาการง่วงมันละไปได้แต่ถ้ายังรับไม่ได้<จ>ใช่ไหม<จ>คุณ<จ>คก็ลองเอาน้ําล้างตาแล้วนะลองเอาไม้ยางหูดูนะไปถึงรูปที่ใบหูเนี่ย<จ>ก็จะช่วยให้อาการ ง่วงมันลดไปได้หรือเอามือรวบตัวหรือไปเดินจงกรมแตนะถ้าเราทํากระบวนการนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยยังง่วงอยู่อัอนนี้เป็นความง่วงจริงๆริให้ไปนอนได้คือร่างกายต้องการกต้องการพักผ่อนจริงๆน ะ, ะส่วนอย่างอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยมันจะถูกดับไปด้วยกระบวนการนี้หมดละถ้าเป็นพวกกิเลสเพราะฉะนั้นเราจะแยกการง่วงที่เป็นกิเลสออกจากการง่วงที่เราต้องพักผ่อนจริงๆได้ด้วยวิธีการนี้นทีนี้พอเราพักผ่อนจริงๆมันจำเป็นเนี่ย เราก็พักผ่อนด้วยความคิดที่ว่าเออเราจะไม่ให้คือจะไม่ยินดีในการเอนกายไม่ยินดีในการหลับไหลไม่ยินดีในการเคลื่อหลับนั่นคือพอรู้สึกตัวปุ๊บก็ลุกขึ้นทันทีนั่นคือคือหลายๆคนเนี่ยพออย่างรายการธรรมารดุลของเรามาตีห้าใช่ไก็พ อ, อารายการเริ่มขึ้นมาแล้วคุณเตือนใจพูดแล้วก็ยังโอ้ขออีกหนาทีขออีกสินาทีอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเขาเรียกกิเลสที่กัดกร่อนกินใจของเรานั่นคือหมายความว่า คือถ้าเรารู้สึกตัวแล้วเนี่ยให้รีบลุกขึ้นดันดีนะฝึกให้เป็นนิสัยเลยคุณตนใจมันจะเป็นตัวที่ให้เรามีความเพียรอยู่เรื่อยๆนะคือลุกขึ้นมา<อ>สมมติบางคนเนี่ยรู้สึกตัวตี2เนี่ยโอ้โหตีสองเพิงจะทำอะไรลุกขึ้นมาทําอะไ ร, น อ, ะไรนอนต่อก่อนดีกว่าอย่างเงี้ย น, นะคือฝึกให้เป็นนิสัยว่าสมมุติเรารู้สึกตัวตีหนึ่งตีสองก็ตามลุกขึ้นมานิดนึงเนี่ยอย่างน้อยนั่งสมาธิซะหน่อยนะนั่งสมาธิสักสองนาทีห้านาทีสิบนาทีนะถ้ามันง่วงจริงก็ไปนอนต่อก็ได้้้่่่แตออยยยางนนเีให ลุกขึ้นมาเป็นนิสัยในการที่จะทำตรงนี้ให้มันดีขึ้นนะนะเจ้าค่ะก็คือว่าหมั่นที่จะฝึกให้มีความเพียรอยู่เสมอนะเจ้าคะนี่ถ้าพูดตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะสั่งสอนไว้สำหรับเรื่องของอพระภิสุสงฆ์ทั้งหลายในการที่จะปฏิบัติธรรมนะเจ้าคะก็คือทำความเพียรในการที่จะ ศึกษาธรรมะแล้วก็นั่งสมาธิอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดปัญญาทีนี้เนี่ยในเวลาที่เหลืออยู่ประมาณสักสีหนาทีนะเจ้าคะ่ะยมอยากจะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบณญอภิปุนนโนเจ้าคะ่ะพูดย้อนมาถึงบรรดาคารวาสของเราโดยทั่วไปเนี่ยเจ้าค่ะว่าว่าจะต้องทำความเพียรในชีวิตในแต่ละวัยของตัวเองอย่างไรดีเจ้าค่ะจึงจะสามารถทาได้สาเร็จตามที่เราตั้งใจไว้ หรือว่าตั้งใจจะทำอย่างยกตัวอย่างเช่นช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเจ้าค่ะตั้งจิตตั้งใจว่าจะทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆกับตัวเรากับชีวิตเราเนี่ยหลายท่านอาจจะต้องละไปเพราะว่าความขี้เกยียจหรือว่าความท้อถอยเข้ามาทำลายเราเนี่ยเจ้าค่ะหมายถึงทำลายความตั้งใจน ะ, นะคะอันนี้พระอาจารย์จะเมตตาที่จะให้เรียกว่าเทคนิคหรือว่าจะต้องทำจิตอย่างไรโดยแปลมาจาก หรว่าแปลงมาจากที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาชี้แนะไว้แล้วเจ้าข่านิมนต์เจ้าข้าอันหนึ่งที่ทําให้เราไหลไปตามอํานาจของความขี้เกียจเนี่ยนะก็คือการมคุณนะคือเราไปติดในความสบายนะเราเห็นแต่รสอร่อยของมันนะเราไม่เคยเห็นโทษของความขี้เกียจเลยนะถ้าเรามาไข ค, ครวนพิจารณาตัวขี้เกียจเนี่ยนะมันอยู่ในตัวเราเนี่ยนะถ้ามันอยู่ น, น, นานๆเนี่ยมันเหมือนสนิมที่กินใจเรานะชีวิตงานงานของเราจะไม่ก้าวหน้าการเรียนของเราจะไม่ไปไหน มันก็จะอยู่ที่เดิมแตนะเราเห็นโทษของมันมากๆเนี่ยเราจะละเอามันออกมาไดนะ้เห็นโทษของมันเยอะๆ แ, แตดัะนั้นถ้าพูดถึงเทคนิควิธีนะก็คือว่าถ้าสมมติคุณขี้เกียจเมื่อไหร่นะคุณรีบทําทันทีเลยต้องแก้มันเดี๋ยวนั้นขนะี้เกียจปุ๊บเอาฉันทําทันทีโอ้ยไม่อยากทำเลยทำทันทนะีจะเป็นตัวที่แก่ในช่วงความขี้เกียดนี้ได้แตนะแล้วถ้ในช่วงที่เรานั่งสมาธิอยู่เป็นประจำเช้าเย็นเนี่ย ให้เราพยายามที่จะพิจารณาเห็นถึงโทษของความขี้เกียจนะว่ามันทําให้ชีวิตเราเนี่ยตกต่ำมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นบ่อะไรนะชีวิตทำไมปีหนึ่งผ่านไปแล้วสองปีผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมภาษาที่เราก็ยังเหมือนภาษานี้เอ๊ะทาไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเราก็ต้องพิจารณาแล้วก็ให้เห็นโทษของมันมากๆจะจะแก้ไขได้พระเจ้าตรัสว่าอย่างงี้คุณเนใจว่าสมมติตอนนี้สมมติาอายุห้าสิบเองเป็นต้นนะห้าสิเนี่ยช่วงห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณอยู่ด้วยความประมาท นเช่นมีความขี้เกียจมีความที่ไม่อยากทํามีความข้ออ้างอะไรต่างมากมายนะตามที่เราได้พูดมาแล้วเนี่ยนะค่ะต่อให้ห้าสิบปีคุณเป็นอย่างนั้นนะชีวิตคุณเนี่ยโอ้โหแบบว่าเหมือนกับโอ้ห้าสิบปีนี้เสียไปเปล่ากันเถอะนะแต่ถ้าวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้นะเรามีความเปลี่ยนวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้แม้คืนเดียวเนี่ยยังมีค่ามากกว่าห้าสิบปีที่ผ่านมารวมกันอีกอืมเจ้าค่ะผู้ที่ชอบพูดถึงว่าบุคคลที่มีราตรีหนึ่งเจริญ แตนะถ้าคุณนะคืนนี้เรามีสติในละมัยใจนะเราทําความเพียรอย่างจริงๆริจรังจังจิตของคุณที่เป็นแบบนี้คืนเดียวดีกว่าร้อยปีที่ผ่านมาอีกนะเราทําอย่างเงี้ยวันหนึ่งซะให้มันได้สักวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้เอาครึ่งวันให้มันได้ครึ่งวันนั้นหรือวันหนึ่งนั้นมีค่ามากกว่าชีวิตคุณที่ผ่านมาแล้วเราทําไงพรุ่งนี้เราทําไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าเอาอีกขอวันหนึ่ง ที่มันมีค่ามากกว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาคุณทําอะไรเป็นผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญเป็นผู้ที่เรามานึกภายหลังว่าโอ้วันนี้จะเป็นวันที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตองฉันเพราะว่าฉันทําสิ่งที่ฉันควรทำฉันตั้งจิตอธิษฐานฉันทําความเพียรฉันทาสิ่งที่ดีเพราะว่าทําสิ่งดีแล้วมันดีใช่ไหมมันดีแล้วมันมีคุณค่าในชีวิตของเรายังไม่ต้องหวังผลเลยเอาแค่เราสร้างเหตุเอาแค่จิตใจที่เป็นแบบนี้มันดีกว่าชีวิตเราที่ผ่านมาทั้งหมด โอ้โหวันนั้นจะมีคุณค่ามากคือนั้นจะมีคุณค่ามากนะี่ น, นี่เป็นสูตรที่ตัดกับท่านภิกษุทั้งหลายแล้วก็พระมหา ก, กระจ้านะเนี่ยมาอธิบายขยายความว่าเป็นพูดที่มีราตรีหนึ่งเจริญนะคืออดีตเราไม่คิดถึงนะอนาคตก็ยังไม่ต้องคิดถึงมนันเอาปัจจุบันซะนะปัจจุบันเราก็ไม่ยึดถือนะเราก็สามารถที่จะทําความเพียนได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตเวลาเราทํางานเนี่ยนะเราก็ทําปัจจุบันให้เต็มที่เท่านั้นเองนะอเก็จะ มมีีควายนได้สาธุเจ้าค่ะก็สิ่งที่พระอาจารย์ภัยบุตรอภิปุโนโรพระอาจารย์ประจำรายการธรรมรัพุรุนของเราได้ชี้แนะมานี้นี่ดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะรวมทั้ง ตัวของตนเองซึ่งก็คงจะน้อมรับมาปฏิบัติเพราะว่าเราคงจะเป็นที่ยอมรับกันนะคะว่าบางครั้งเรามีความตั้งใจที่จะทำอะไรดีๆแล้วเนี่ยถ้าความตั้งใจนั้นไม่ได้ตั้งมั่นไม่มีความเพียรไม่ไม่มีความมุ่งมั่นจริงๆแล้วก็มักจะไม่สำเร็จนะคะแต่ว่าทุกอย่างเลยอยู่ที่ใจอยู่ที่ความตั้งมั่นดิฉันก็คิดว่าหวังว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังในเช้าวนันนี้และฟังคาแนะนาจากพระอาจารย์ไพบูลนภิปุโนแล้ว คงจะมีท่านผู้ฟังหลายท่านเป็นจำนวนหลายร้อยหลายพันหรืออาจจะเป็นหมื่นคนที่จ้างใจมั่นว่าอยากจะมีราตรีหนึ่งที่ เรียกว่าสว่างสวัยรุ่งเรืองกันจริงๆอย่างที่พระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนได้เมตตาสาักฉามาในรายการธรรมาราปรุลชาวันนี้นะคะขอพบฟังข้าเวลาในรายการธรรมาราปรุลสําหรับในเช้าวันเสาแรกของเดือนตุลาคมนี้ก็หมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการธรรมาราปรุลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่เหมือนเคยคะ่ะซึ่งก็จะได้รับคําเมตตาจากพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโน พระอาจารย์ผู้อานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมเรืกเล่นตามพุทธวระณะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนไหโศกตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีได้เมตตามาสนธนาธรรมหรือสากัะชาการเหมือนเช่นเคยนะคะทั้งนี้โดยความควบคุมแล้วก็ชี้แนะเป็นที่ปรึกษาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดัเอร์สะอาดทิโทฟาโซาท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าเหมือนเคยนะคะ ตอนนี้เรามากราบน้ำมัสการขอบพระคุณแล้วก็กราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพร้อมกันค่ะท่านผู้ฟังคะกราบขอบพระคุณและกราบน้มัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่าะาาสาธุเจ้าค่ะ